พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพี่นายกรรมหลวงตาพาเงินไปซื้อทอง เออวันนี้คงจะไม่พูดอะไรมากมายศรัทธาญาติโยมลูกหลานกับผมข อ, อการน้่นตลองปู ด, ดั่นกับผมเพราะว่าพวกเราจะเดินทางไปข้างหน้าอยู่แล้วนะออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลรงพ่อมีหนังสือแจกหนังสือเล่มนี้นมาเมื่อวา น, เ, นเป็นสารธรรมสารธรรมจิตภาวนาจากพระธรรมเทศนา ท่านอาจารย์มามหาบวญชนะสัมปันโนวัดป่าบ้านตาตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คือหนังสือเล่มนี้เขาคัดออกมาจากหนังสือเล่มต่างๆคัดมาเฉพาะเรื่องจิตตภาวน า, าสําหรับลูกหลานผู้ใดไม่ภาวนานี่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะถ้าว่าผู้ใดเคยภาวนาเป็นพื้นฐานามาแล้วเนี่ยถือเป็น ตำราได้เลยหนังสือเล่มนี้เน่ยเพราะว่าเขาคัดออกมาจากหนังสือของหลวงตาที่ว่ากันไหนที่ว่าเทศเกี่ยวกับเรื่องภาวนา เ, เขาก็เลยคัดมาแต่ทําเป็นหนังสือเล่มใหญ่ตัวหนังสือใหญ่อีกนะอตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายอีกจะมีหนังสือหลายเล่มอยู่่นี่วันอันนี้แจกวันมเมื่อเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ว่าปุจฉา ปัตตุลชาวิศัสนามักคาสู่แก่นธรรมคือในหนังสือเล่มนี้มีธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยเขาถามหลวงพ่อพุทธหลวงพุทธตอบยังไงแล้วก็ถามหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาตอบยังไงเขาถามหลวงตา ม, มหาบัวหลวงตา ม, มหาบัวตอบยังไงในหนังสือเล่มนี้นะคณะสัตยาญาติโยม ผู้ที่อยากจะถามครูบาอาจารย์เราก็ไม่กล้าถามไอ่เนียบางทีเล่มนี้เขาอาจจะถามถามให้เราแล้วก็ได้นะ เ, เขาอาจจะถามให้เราแล้วก็ได้เราเคได้ฟังเออใช่เรามีความข้องใจอยากจะถามครูบาอาจารย์อย่างที่เขาถามเนี่ยโอ้ตัวนี้ถูกถูกกับเราที่อยากจะถามเลเนี่พอมีมีมีสามมีสามหลงปู่นะไปคัดเขาคัดสรรมา ทำนะ ร, รมเทศนาวนนัเอาลูปติดให้ด้วยนะแต่ก็ในเรื่องแต่ในเรื่องจิตภาวนาแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยเขาประกาศวันมาเกิดหลวงตาวันเกิดหลวงตาเนี่ยเขาทางจังหวัดทางตูนกระบอมฟ้าหญิงจะมาสร้างพิพิธภัณฑ์ที่วัดป่าบรนตาตั้งท่ามาหลายครั้งแล้วมีผู้คัดค้านก็มีแล้วก็เงิน ที่มีผู้ถวายต่างกรรมต่างวาระถวายต่างกรรมต่างวาระผมมีเงินตั้งห้าร้อยล้านหลายเดือเงินหลวงตานะอยู่ในบัญชีละอยูส่สงบนิ่งอยู่ในบัญชีแล้วมีแต่หาที่ลงไปได้มันแปลกอีกเหมือนกันนั่นแหะแต่ตามไม่จริงคนทั้งหลายมีแต่หาเงินยากแต่ลูกศิษย์หลวงตามาหาบวัวเงินมันมีอยู่แล้ว แต่ทะเลาะกันเรื่องหาที่ลงไหมหาที่ลงไม่ได้คนหนึ่งอาจจะสร้างอย่างนึงคนนึงจะสร้างอย่างหนึง่งก็เลยทะเลาะกันแต่เมื่อวานเนี่ยก็ทั้งผู้วาราชการจังหวัดและก็ทั้งทหารมทบ24อุดรและกัชาวบ้านตาดเขาก็เลยเสนอขึ้นมาเขาจะจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดนา่ะก็มีแปลนเรียบร้อยแล้วแปลนก็เป็น มหาวิทยาลายัยศิลปากรเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ทูนลูกสาวของทูนกระหม่อมพระองค์เจ้าสิริพาจุทาพรเป็นประธานในการออกแบบ เ, เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงต า, าตามตามนี่แหลนะอันนี้เจดีย์อันนี้พิพิธภัณฑ์อันนี้เจดีย์นศาลาลายอันนี้พิพิธภัณฑ์ดูดูๆแล้วก็ในลูกหลานศรัทธาเ ย, ยียยมเาไป ไปอ่านไปศึกษาดูท่านนี้ก็แจกแจกไปให้พวกเราอ่านอ่านดูล่ะแต่ก็ยังนะเพียงแต่เสนอเปิดเปิดเปิดตัวเมื่อวานนะวันที่สิบสองสิงห า, เ, าเมื่อวานนะแต่ว่าการก่อสร้างนะก็คิดว่าเพราะเจ้าอาวาสของเขาตกลงแล้วตกลงเห็นพร่องแล้วแต่ก็มีหนังสือผู้คัดค้านเมื่อคืนนะีก็มีออกมาอยู่ผู้ไม่เห็นด้วยนะ มันมันยากอยู่นีในโลกนี่นาณาจิตตังนานาทัศนะจริงๆริแต่ทั้งยังไงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นถึงอยากจะสร้างก็สร้างไม่ได้าว่าหลวงพ่อสุดใจเจ้าอาวาสไม่อนุไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้ทําเพราะอํานาจอยู่ที่เจ้าอาวาสและอีกอย่างหนึ่ง หลวงตาเองก็บทำพินัยกรรมก็มอมให้พระอาจารย์สุดใจท่านตรมโนเป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแต่หลวงพ่อมีพินัยกรรมก็จริงอยู่แต่ท่านบอกว่าให้จัดการเรื่องจตุปัจจัยที่คนมาถวายในงานศพของเรามามากน้อยขนาดไหนให้เอาเงินจำนวนนั้นทั้งหมดซื้อทองคำ เข้าคลังหลวงมอบให้คลังหลวงห้ามนำเงินทั้งหมดมาใช้เพราะตัวของเราร่างกายของเราเนี่ยใช้ฟืนเท่านั้นอย่าไปใช้เงินเงินที่พี่น้องประชาชนเอามาถวายในงานศพของเราให้นำไปซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้คือท่านมีพิ่นยกรรมแล้วกหลวงพ่อจะเข้าไปจัดการจุดนี้เท่านั้น พอเขาไปอลไรกัไปชมสงฆ์วันแรกเลยนะพอท่านบรรณภาพตอนกลางวันเสร็จแล้วเข้าเห็บอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยกหลวงพ่อก็บไปชุมพระน้องนุ่งทั้งหลายพระที่เป็นลูกศิษย์ด้วยกันเราพวกเรามีความเห็นยังไงยังไงนี่พินัยกรรมหลวงตานะพูดเด็ดขาดนะไม่ให้ใช้ปัจจัยไม่ให้ใช้จะตุ ป, ปัจจัย ที่มาในงานศพของท่านให้ซื้อทองคำเท่านั้นพวกเราจะเอายังไงทางฝ่ายพรากทำไม่ได้ใช้ปัจจัยเราจะใช้อย่างไทางท า, าไม่ได้ใช้ปัจจั ย, จจจ ย, จจยที่คนมาถวายนะมันจะไปได้รือคนมามากทั้งข่าน้ำข่าวไฟทั้งข่าอาหงาุงอาหารทั้งห้องน้ำห้องสวมข่าอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะ กรถามหมูทั้งหลายหมูทั้งหลายกัลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อเอา้าถ้าหากว่าเราใช้เงินของหลวงตานี่นะใช้เงินเนี่ยคนที่มาบริจาคเนี่ยมันผิดพินัยกรรมหลวงตานะีหลวงตาสั่งเห็นไมเนะี่ยเอา้าเห็นด้วยไหมที่ผมจะเสนอพวกเราลงขันกันแต่ละวัดไม่ต้องใช้เงินกองกลางไม่ใช้เงินไม่ใช้เงินบริจาค ให้ลงคันกันแต่ละวัดลูกคิดลูกหาลงตาต่างเยอะแยะไปคนละมากคนละน้อยเพียงแค่นี้เราจัดการไม่ได้หรอเอาเอาหลวงพ่ออินก่อนเป็นผู้เสนอเอาหลวงพ่อหกแสนหลวงพ่อบอกนะอีผมเองหกแสนคนอืนเอาผมสามแสน พอนนสุดท่านท่านสงบนะน้องแสงส้อยนะท่านสงบนะผมล้านหนึ่งออแล้วก็ท่านอะไรอีกสององค์ล้านหนึ่งคนละไปแปลว่าในคืนนะที่นั่งไปชุมกันได้เงินหกล้านกว่าใครออกปากท่านเลยให้จดไว้ใครออกปากท่าเไออาาเลยให้จดและให้ตามอย่าให้ได้ตามให้มอามาสูงเลยนะเออทีนี้ผมในสุดก็เลยวันลุ่งขึ้นเอาวันพงศ์นี้เลยนะ อย่าให้นานมันไม่ใช่พูดแล้วจบไม่ได้ไม่ได้นะเราจะได้ดาเนินดา เ, เนินการเอามาพุ่งได้เลยบนทุกสุดก็เลยได้มาวันพุ่งนี้จริงๆเอาเข้าบัญชีเลยแต่เมื่อเอาเข้าบัญชีแล้วห้ามห้ามบอกว่าห้ามเปิดเผยว่าเงินพวกเรารวบรวมกันเพื่อจัดงานศพลงตามไม่ต้องพูดถ้าเราพูดจุดนี้เงินทั้งหลายแหล่ยที่ศรัทธาญาติโยมเขาเนี่ย เงินโครงการช่วยชาติเนี่ยเขาเาเอื่อมแล้วเขามากแล้วหลายปีแล้วนเนี่ยเขาจะจะมาช่วยงานศกหนึ่งเงินมันจะทะลักมาจุดนี้ทั้งหมดแต่มาถึงจุดนี้ก็เถอะนะเราก็จะต้องเอาเข้าจุดนั้นอีกอย่างเก่านี่แหละแต่อย่าให้มันมีปัญหาเราไม่ต้องพูดเอาเฉพาะพวกพระของเรานี่แหละตกลงกันนะแต่ขนาดนั้นก็ได้ตั้งสี่ิบกว่าล้า น, นเนี่ยเงินเงินก็ เงินก well. ้อนเนี่ยเงินจากงานศพหลวงตาได้สี่สิบกว่าล้านเงินก้อนนี่จะทำไงกระพิมพ์หนังสือเล่มหนาๆมดไปสาสิบกว่าล้านเงินสามสิบหกล้านอะไรพิมพหนังสือเล่มหนาๆเล่มนั้นนะปู่เลิฟเนี่ยเป็นคนดูแลแต่ทั้งเงินเงินเงินทั้งหมดที่เท่าที่เข้าบัญชีของหลวงตาทั้งหมดมูลแปดร้อยกว่าล้านอที่ซื้อทองคํานะไม่ใช่น้อยนะแต่ที่แรกหลวงตาเห็นพินัยกรรมหลวงตานะ บอกว่าเงินเวลาเราเมาละภาพลงไปให้ผู้มีรายชื่อทั้งต่อไปนี้จัดการเรื่องการเงินถ้าไม่มีคนมาถวายมากน้อยให้ซื้อทองคำเราไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเราไม่อยากจะให้ผู้ดใดใครผู้หนึ่งเอาไปใช้เงินก่อนให้ซื้อทองคำเข้าคลังหลวงทั้งหมดห้ามใช้อย่างอื่นเด็ดขาดแล้วก็ท่านสุดใจกัน เรามอบให้ท่านจูใจเป็นผู้จัดการมรดกของเราท่านพูดลักษณะแทนที่เราได้อ่านพี่ในกรรมสิเลว่าเดี๋ยวเอาถ้าเป็นลักษณะนี้กับตรงตามให้ใช้เงินเลยเราก็ต้องลงขันกันฮะก็ได้ลงขันกันอย่างที่หวานจะจพอเจ็ดเจ็ดเลี้ยงจำนวนสี่ได้เงินถึงเจ็ดแปดร้อยล้านก็เลยไปซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเด็ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงนี่ ที่แรกก็ถามถามคุณชายเงินแปดร้อยกว่าล้านเนี่ยเราจะซื้อทองคำเข้าคลังหลวงเนี่ยเราต้องปรึกษากันก่อนได้ไม่เหมือนหลวงตาอยู่ได้ถ้าหลวงตาอยู่นียหลวงตาชี้เอาเลยมันใครก็ไม่มีใครกล้าเถียงกล้าหือนลยแต่มาถึงพวกเราเนี่ยแหละเราจะไปทำโดยพละการไม่ได้เดวยเดี๋ยวก็จะถีบเตะเราเนี่ยตายได้ เ, ออเราควรจะปรึกษากันก่อนควรจะปรึกษาพี่ภาคสาธารณความผู้ใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาลุงตาเรียกมาไปชุมกันนะปรึกษารยังค่อยซื้อทองน่ะเงินตั้งแปดร้อยกว่าล้านมันไม่ใช่ธรรมดาทั้งคุณชายป๋มที่เป็นลูกศิษย์นะคุณชายทองสิ็ิทองแถมทีม่เป็นลูกศิษย์ลุงตาเฮ้ยถ้าว่าจะให้ทําอย่างนั้นเกิดชาติหน้าก็ยังไม่ได้ซื้อมันจะทะเลาะ ก, กันเนี่ย กำลังซัดดากำลังเนี่ยเขาปฏิวัติซัดดาเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวทองคํามันจะต้องเออมันต้องขึ้นแน่แนแล่ะเออรีบเอาเลยลงลงเอาเลยซื้อเลยถ้าเป็นไปได้ผมวันนะ่ะถ้าจะให้ซื้อจะปรึกษากันทั้งท น, นายความพิพากษาทั้งลูกศิษย์ลูกหาพร้อมหน้ากันเจรก่อนย่างซื้อนพะร้อมว่าไม่ได้หรอกชาติหน้ากันพอดีลงตามหาบัวนะวันนี้เท่าไหร่ถึงจะถูกจะแพงก็าตามท่านมาด้วัน่ะเอาวันนี้และ เออลองตาเอาวันนั้นเลยอันนี้คือลงตาอันนี้พวกเราจะไปทําอย่างงั้นผมว่านะไม่ได้ซื้อนะเรานั่งอยู่ในเนี่ยแหละหลังศาลาใช่ไหมมีผ้าอยู่ไม่กี่องค์เอ่อแล้วก็มีโยมด้วยนั่งกันประมาณทั้งรวมแล้วจวันทั้งสามสิบคนเราที่เป็นที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมนะนั่งยืง่หัวนะคิดหนักใหญ่เลยที่ตาตาใถ้าหากว่าเขาพูดขึ้นมาวันนี้ อาจารย์อินเป็นผู้ตัดสินใจ อ, อให้ศรัทธา ญ, ญาโยมเคาะทองซื้อทองเนี่ยออทองราคาเผื่อทองมันลงแหละนี่ไห อ, อเขาก็หาว่าหลวงพ่ออินกินเงิ น, ก, น, งนกินเงินวัดใช่ี่มตายใชนไหเอาอย่างไงก็ว่าไม่ได้แร้วท่านอาจารย์เ อ, อถ้าพู้เชี่ยวไม่ได้แล้วจะซื้อไม่ได้ทางวัดไม่ไม่เด็ด้ดดขาดคุณชัยปลอมกุญชัอเอาเข้าเอาวข้า เอามีกี่คนนี่วะลงชื่อไว้หมดนะถ้าติดโค ก, ก็ติดด้วยกันวะตัดสินใจด้วยกันเอาจดชื่อไว้คณะกรรมการที่ลงตาแต่งตั้งก็มีอยู่มันไม่ถึงไม่ถึ ง, ไ ม, ถงไม่ถึงที่กําหนดไว้กําหนดวันนะมันยังไม่หมาไม่ครบเหมือนกันแล้วคือเอา้าคุณชายป๋อมกระโทไปเลยนะโทรไปทางไอ้ไอ้รงหลอของไอ้ไ วิเจอแลงหล่อไหเท่าไรทองเดี๋ยวนี้ขณะนี้เท่าไรก่เอเอาว่าทองราคาเท่านี้ทอนเอาเอามากนะเอาราคาแบบต่ำสุดราคาแบบต่ำสุด เ, เพราะว่าเราซื้อทองเงินตั้งแปดเจ็ดแปดร้อยล้านนะให้ต่ำสุดนะราคามาตรฐานนะไม่ใช่ราคาแบบ ข, ขายๆย่อยๆนะ เขาบอกอีกสักพักนะึงเขาคิดเขากว่ราคาเท่านี้ยืนยันราคาเท่านี้ดูนาฬิกาเลย <c oughs> เขาซื้อทองก็ต้องดูนาฬิกาก่อนเลยเคาะทองอะไรว่าเคาะทองเงื่นอะเออเคาะเอาขณะนี้เวลาเท่านี้นะเออใช่เอ้เอาเคาะทองไอ้ <c oughs> เขบอกราคาราคาอย่างนี้เลยนะเออราคาเดี๋ยวนี้มันมีเท่าไหร่มันขึ้นมันลงมันเป็นเป็นนาทีเลยนะมันขึ้นมันลงเป็นนาทีทองเนี่ยนะ พอเดี๋ยนเคาะเดี๋ยวนี้เอาเอาเดี๋ยวนี้แหละราคาเท่านี้จดลงบันทึกเรียบร้อยรับรู้รับสาบลงพ่อในเย็นลงพ่อพอเคาะทอเสร็จลงพ่อกระตุบตุบตอมต้มเหมือนกันเพราะมันเงินตั้งเจ็ดแปดร้อยล้านเฉเวลามันไม่ใช่ของน้อยเท่าไ่ร่แค่มันเขาโวยวายขึ้นมากับเราเป็นหัวหน้าอยู่ในนั้นอีกแต่นี่มันโวยวายจริงๆเท่าไหร่มันนั่นแหละปากหลายคู่หลายคนนะ เห็นหนะลุงพ่ออินเป็นหัวหน้าขวานได้บาทนี่ยไปซื้อทองได้ยังไงคณะกรรมการก็ไม่ครบคณะกรรมการก็บซื้อทองเท่านั้นเลยกินละหนบาทหนึ่งบาทต่อหน0 0 0 1 0 0 0 0เจ็ต่อเจ0 0พกว่าบาทต่อ1นึ่บาทคณะกรรมการก็ไม่ครบลงพ่ออินเป็นประธาน จะซื้อทองได้ยังไงเราก็ไม่รู้จะไหว้ไว้ยังไงมันสั่งไปเลยนะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้มันเท ว, วดาเท ว, วดาเข้าข้างบานเนี่ยลองมันขึ้นขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นเลยทีนี้ไปจนจนถึงสองหม้าเออสองหมห้าในช่วงนะั้นช่วงสัต ด, ดํดดาสัตดําไอ้ถูกถูกปฏิวัตินะเพราะในส่นกวก็เลยมอบทองที่ ตอนมอบทองก็ไปชัยน้อยมึงชัยย่อยเหมือนกันนะพวกหนึ่งว่าจะมามอบที่ไหนเอามามอบที่บ้านตาดเพื่อเป็นสางาราสีเป็นศักดิ์ศรีพอเงินหล้งตาทั้งคุณชายปั๊มก็บอกว่ามอบบ้นตาดไปได้ใครจะเป็นคนรับรองอถ้าหากว่านั่งรถมาดีๆเอารถทหารมากกว่าเถอะมันเงินมันเกือบเกือบพันล้านนะ่ะ เ, เขามาดักกลางทางกับ ปนทองกลางทางเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบอเอา้าเอาขึ้นเครื่องบินมาเอาขึ้นเครื่องบินมาเอาสมมุติว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาวางแผนไว้เลยเลยเขาตีนทีบโซเฟอร์เครื่องบินกันบ้างขังไว้เลยขับไปเมืองลาวไปลงพม่ า, มาไปลงลาวก็ได้เนี่ยแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะเงินขนาดนี้โอ้โหตายๆมีเงินน่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ทองอย่างเงี้ ขึ้นหนักยังไม่ได้อีกผลที่สูยก็เลยเอาอยัางไงนะต้องไปมอบที่สวนแสงธรรมเออเอามาจากโรงบอ่อหล่อโรงหล่อที่ว่าสวิตเม็ดนะโงรงหล่อของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแหละอยู่ในเมืองไทยเอามาส่งที่สวนแสงธรรมเออพอเขาต้องรับผิดชอบมาจากสวนเนี่ยทำมาที่โรงงานเขาเรามาลงที่สวนเนี่ยทำพอลงสวนแสงธรรมเสร็จแล้วก่มาช่างนับหนักมานับเอา แบ่งฉากมาเอ า, เ, อ า, เ, อาเขามาตรวจเลยนะแต่ละแท่งนะเขาจุมาแท่งแท่งมันเป็นลักษณะ เ, เออเป็นแท่งนีิบสองกิโลในแท่งเอาสว่านเจาะเลยนะแล้วก็เจาะทั้งนี้เจาะทั้งนี้อีกเออแปว่าไม่กวงเออไม่ไม่มีตะกวัวอยู่ข้างในอย่งั้นกันเถะเออตรวจเสร็จแล้วก็ออกมีคณะกรรมการนั่งตรวจแตแท่งแต่แท่งแต่แท่งแท่งท ขี้ทองก็เก็บส่งมาให้คุณชายป่าบอีกน ะ, ะขี้ทองที่ทมันที่สวรรค์จอดลงไปมันขี้ทองขึ้นมาน ะ, ะนี่แหละอันนี้ก็คือเขาตรวจอย่างละเอียดสิบสองกิโลกว่าต่อหนึ่งแท่งหยับจิบนไม่ได้แนละ้วหนักเกินไปนั่นแหละคนสุก็ได้ยังขาดอยู่ทองอยู่ห้าสิบกิโล ยังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบสามตันนะยังอยู่เอยังอยู่ยกี่กิโลนะทั้งที่แต่เป็นเงินออกมากประมาณห้าสิบล้านเออห้าสิบล้านไม่ถึงแต่ที่เงินห้าสิบล้านมันไม่พอทนะีไหนเงินหลวงตาซื้อแล้วมันหมดเลยเงินที่ในงานศพหลวงตาแต่เน่ก็เอาเงินที่ไหนล่นะทีไหนเอาเอาเงินเอาเงินที่ออ หลวงตาให้ให้สร้างโรงพยาบาลอุดอรนั่นนะยังเหลืออยู่เเงินเหลืออยู่ประมาณเกือบสองรอยล้านเอาเงินก้อนนั้นแหะมาซื้อทองห้าสิบห้าสิบกว่าล้านบาทเอาเงินก้อนนั้นมาซื้อเอารบปติกันเพราะเอาให้ครบสิบสามตันนี่ใช่ไหมละ่ะก็เลยเอาเงินยืมเดียวเงินกับหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีเป็นผู้ถือบัญชีตัวนั้นอยู่ก็เลยมาซื้อ พอมาซื้อเรียบร้อยเลยสินี่ได้ทองแต่มอบล่ะมอบทองให้กับพังหลวงล่ะเออเอาเดี๋ยวน้ต่อไปนั้นเราคงจะทอดผ้าป่าคงจะหาเงินแทนหลวงปู่ลีแต่นี้ฝ่ายลูกศิษย์หลวงปู่ลีก็บโบกวกยวายอีกสินี่โอ้ครูบาอาจารย์ยืมเงินไปแล้วไม่เห็นใครมารับผิดชอบเลยสินี่ตีนี้พูดมันพูดไม่ใช่พูดเนี่ยพูดใส่ไม้ต้นที่บ้านตัดมันดังไปทั่วโลกเนี่ยบัด เออมันไม่ใช่ดังแต่เจพาพ่อนี้เนี่ยมันดังไปทั่วโลกไปแล้ไปโอ้แต่แต่แ ต, แ ต, แต่ทำไมพี่น้องเราขายนาพวกเราจริงๆงเนี่ยวะเราก็เลยบอกเฮ้ยท่านนพดลท่านบุญมีเอคุณชายป๋มใครต่อใครที่เกี่ยวข้องไปขึ้นไปหาหลวงพ่อจุใจไปตรวจบัญชีดูสิเงินในบัญชีของหลวงตาเนะี่ยยังเหลือเท่าไหร่ เ, เงินที่ซื้อทองแต่อ ต, ตอบจำเปิลมาหมดแล้วนะเหมือนออกมาหมดแล้ว อ, อที่มาซื้อทอง เ, ออเบิกหมดแล้วบานนี้กับไม่ถึงสองอาทิตยนะ์ขึ้นไปเบิกได้ไปดูสเส อ, อถ้าว่ายังไงก็เราก็เตรียมทอดผ้าป่าแล้ววะเมื่อเพื่อมาให้มันเรื่องมันยาวนานผลที่สุดก็เลยเขาขึ้นไปดูนะพอขึ้นไปดูเงินมันมาอย่างไรก็ไม่รู้อยู่ในบัญชีของลงตานหกสิบล้านบาทเนี่เออ ยังแปลกใจว่าเงินเถอะเงินไม่รู้ออกมาจากทางไหนหกสิบล้านอยู่นี่อยู่ในบัญชีหลวงตาพ่อเนตรโศกเลยเอาเงินก้อนนะะันะไปแทนไปแทนเงินโรงพยาบาลโรงพยาบาลอุดรนะก็เลยจบไปหลวงพ่อก็เลยเที่แรกอัดอัน้นจันใจพวยแรงจะหาเงิน50กว่าล้านใช่ไหมละ่ะอันนี้พอส่งเงินห เ, เงินอยู่ในบัญชีทั้งหกสิบล้านนะหลวงพ่อก็เลยหายใจโลง โอหลวงตาดิเมตตาพวกเราจริงๆว่งว่อที่เราออัดอั้นตั้งใจจนพอแรงเนี่ยหาเงิน ท, ที่ที่จะมาแทนเนี่ยมันพอแรงเหมืนกันทําไมเงินไปอยู่ในบัญชีเงินเข้าบัญชีได้ยังไงเนี่ยวะนะนี่ว่าหลวงพ่อจะบอกว่าบุญบา ร, รมีของหลวงตาท่วมทนถึงอะไรข้าวขับขันมาเนี่ย มันน่าจะขับขันได้มันเงินเข้าบัญชีได้ยังไง อ, อพวกเราจะอุกอังทางเทพอแรงอะไรเงี้ยเถอะพราะไปยืมเงินของโรงพยาบาลมาซื้อทองมอบของทําให้ข้างหลวงอย่างน้อยกระชักเดือนสองสามเดือนกลยเราไปพอหายใจได้ใช่ไหมนะอันนี้พวกนี้นทวงติงมาเร็วๆเลยไีพระนิจโศกกเ็เลยได้ไปเปิดธนาคารดูกันเงินก็เลยได้มาก็เลยมอบส่งเดี๋ยวนั้นเลยนะนี่แหละลูกหลานเลย สรุปแล้วก็คือของหลวงตาเนี่ยถึงสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยกำลังกำลังจะเริ่มสร้างนหะแต่เริ่มได้สร้างไม่สร้างมาโดนพมพผู้คัดค้านเข้ามาขนาดเอาบัวโชวออกเมื่อวานก็มีผู้คัดค้านนะี่หลวงพ่อยังบอกว่าลูกหลานเนะการคัดค้านมันไม่ดีเด้เป็น <S <S 1> <S 1> เป็ น, <S <S ปนบาปกรรมติดพพติดชาติเด้เอ ขนาดพระเถระท่านหนึ่งอยู่ในในั้งพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่าน เ, เขาสร้างพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัตตาปนะเศรษฐีทั้งหลายเขา้ากวากษัตริย์กับเศษฐีหนึ่งเข้ากันว่าสร้างต้องด้านละใหญ่เท่านั้นใหญ่เท่านี้ด้านด้านและเป็นโยตโยตนน์เงี่ยสร้อเซนต์อ่างเงเลยเหมือนกับภูเขาลูกหนึ่งภูชาพระพุทธเจ้ากัตปะ แ ต, แต่หัวหน้าคนนี้หัวหน้างานคนนี้หัวหน้าที่ฝ่ายฝ่ายคาสเหนื่อยลไปโอยไปหาสร้างใหญ่อะไรมากมายนักเนาะเออพอสร้างขึ้นมาแล้วจะทํายังไงใครเป็นคนรักษาอยู่นั่นนะสร้างกับนานเสร็จดีต่างหากกว่าจะเสร็จได้เงินออกมาจากที่ไหนเงินขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นผมว่าเนี่สร้างขนาดนี้เลยเอาย่อมย่อมเลยดูแลง่ายง่ายเพื่อจะให้เสร็จง่ายๆไม่ให้ต้อง นานเออแล้วพวกเราก็จะได้กาไปไหว้เร็วๆจะไปสร้างอะไรใหญ่โตหัวหฐานเ อ, อเห็นด้วยไหมไอ้พวกทั้งหลายก็คนจนมามากมากกว่าคนรวยใช่ไหมเพราะอย่างเสียงนะ่ะคนจนก็ยกมือให้ใช่ไหมนะเออเพราะจะหาเงินมาจากที่ไหนถ้ามันมันมันมากเกินไปเออพระนิสูกก็เลยคนรวยก็เลยแพ้แพ้คนจนง่ายยกมือประชามตินะ่ะ ยกไปชามาติยกแพ้พอแพ้อลไรก็เลยเอ า, เอาตามนายช่างเนี่ยแหละเป็นผู้สร้างนายช่างนั้นก็เลยสร้างพอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วน่ ะ, ะนายช่างคนนั้นน่ยตายเกิดมาชาตินาสเกิดมาชาติหน้าทั้งที่จะสูงนะเตี้ยกว่านี่เพราะเขาจะสร้างให้ใหญ่ให้โตตัวเองแบบให้สร้างให้เตี้ยให้ต่ําให้มันเล็กเหมือนกันเลยเกิดมาชาติหน้าก็เลยเตี้ยเขาสูงแต่ ตัวเองเพียงแค่เอวคนหนึ่วันเออ ม, มาในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย พ, พระเจ้าโคตมะเลยพ่อบวชก็มาได้รับเอตตะฆาตนะเป็นผู้เสียงไพเรานะเลยคนตัวเตี้ยแต่เสียงไพเราะ อ, อืแต่ตัวเตี้ยเอนะีวันหนึ่งพระภิกษุเออท่านเข้าไปธุระเข้าไปกราพพบพระพุทธเจ้าตอนเช้านะตอนเช้าจนฉันยังหันเสร็จ ไปกราบพระพุทธเจ้าเออพระเถระท่านนี่นะพระกุลทะหรือชื่อว่าพระกุลทะก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบแล้วก็เห็นพระภิกษุกําลังเดินเข้ามาอีก30องค์พระมาจากในป่านะก็จะมากราบทูลถามคําถามจากพระพุทธเจ้าพอพระกุลทะเอ่อกุลทะพัทยาองค์นี้ก็เห็นเลยเขาจะมากราบพระพุทธเจ้าก็เลยกราบลาพระพุทธเจ้า กลับไปก็ไปสวนเดินสวนทางไปเดินสวนทางไปกับพระที่จะเข้ามาสามสิบองค์ไอ้พระสามสิบองค์พระมาจากป่าเนเห็นพระเถระ อ, อ, องค์เตี้ยๆเพียงเอวเดียวกันเป็นเนนเมื่อขยุ่มหัวนะเออโอ้น่ารักจริงๆสมณะเออมาจากไหนล่ะเนี่ยองค์ไหนก็ขยุ่มหัวก็ยุ่มหัวไปทั้งพ้นสามสิบองค์ไป พอพระเหล่านั้นขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปถึงพระอุณฑโรองค์ธรรมะพวกเธอเห็นไหมพระเถระเดินผ่านลงไปเมื่อกี้นี้ไม่เห็นพระเจ้าขาดเห็นแต่สัมมเนนเหนเห็นแต่สัมมเนนน้อยเดินผ่านนั่นแหละพระเถระะไม่ใช่กรับผมเป็นเนนได้น้อยนั่นแหละพระเถระเนี่ยทําไมจึงเตี้ยนักพระเจ้าขาดเพราะชาติที่แล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะ เป็นนายช่างใหญ่เอ่อผู้นายช่างใหญ่เขาประชุมกันว่าจะสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้ากัษปะนี่จะสร้างใหญ่ขนาดไหนเออกระลงมติกันเศรษฐีเขามีเงินเขาโอ้สูงเป็นยนอดเตีนพระเจดีย์ตีนเป็นยอดยอดหนึ่งก็0ี่ร้เช่นใช่ไหมล่ะเอ่สูงก็เป็นยนอดทางหัวหน้าช่างในก็บอกว่าเฮ้ยเอเอไม่ต้องสร้างใหญ่หรอก นานเสร็จเร็วๆเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าใครจะดูแลรั ก, รกษาล่ะผลในสุดก็เลยลงมติกันเนี่ยนะเพราะถ้าเขาเกิดมาพบใรชาติดใดเลยเตี้ยตลอดเลยบดัดเอทุกวันเนี่ยถ้าเราพวกเราเห็นคนตเตี้ยนะ่ยนะแสดงว่ายกมือให้ับพระกุณทะสมัยนู้นแ่ะแปลว่ายกมือให้พระกุณทสะ <laughs> <laughs> ณทสนับสนุนไม่ให้สร้างเจดีย์ใหญ่เหมือนกนเต พวกหลออระวังนะเขาจะทำอะไรคุณงามความดีให้สวยให้งามตัวเองไปคัดค้านเขาเนี่ยเกิดมาพบหน้าชาตหน้าระวังให้ดีก็แล้วกันวันไปเ อ, อาระวังน่าที่นะนเดี๋ยว